บุกทูห้าสิบแปดควินเดกออกอวัยวะคอร์ปอปาร์ตอยดิฉันวาดรูปผู้ชายมิดเซกเนสวีรอนเริ่มจากศีรษะก่อนอล ผู้ชายสวมหมวกมองไม่เห็นเส้นผมมองไม่เห็นหูด้วยมองไม่เห็นหลังด้วย ดิฉันกำลังวาดตาและปากมีเดเซกนัสและโอคุลอนินไคลาบูชนผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะลาวิโรดานซัสไคริดัสผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวลาวิโรฮาบัสลองกันนาซอนเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา As on on เขามีภาพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยลิสุรฮ a า a อังเขาคอลตูกอนเชิร์เขาเซียอมันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นวิ n t รั k a ค m a l v a r ์ a s แขนแข็งแรง la b r a ก o ย estas m u s k o l a ไ ก็แข็งแรงด้วย oy, ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะแต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม on, แต่เขาก็ไม่หนาวสัน่น เขาคือตุกตาหิมะลีเอสตาสเนชฮาร์